เดนนทีกัสปะเนี่ยนะก็คือผู้พี่นี่อยู่ต้นน้ำใช่ไหมผู้น้องอยู่กลางน้ําผู้นี้ก็อยู่ปลายๆน้ําไปเรื่อยเนี่ยนะเชะดินนทีกัสปะก็เห็นผมชดาเครื่องบริหารเครื่องบูชาเพลิงลอยน้ํามาก็มีความคิดว่าอุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายเราเลยก็เลยส่งเชดินไปด้วยคําสั่งว่าพวกเธอจงไปดูจงรู้พี่ชายของเรานะไปดูซิพี่ชายก็เป็นอะไรทําไมเครื่องบริหารมันลอยน้ํามาขนาดนี้ ทั้งตนเองกับชิดิน300ก็เข้าไปหาท่านอุรุเวและกัสปะเรียนถามว่าข้าแต่พี่ น, นะข้าแต่พี่กัสปะพรหมจันทร์นี้ประเสริฐแน่หรือพี่แน่ใจนะนะครับแบบนี้นะพี่แน่ใจแน่นะมั่นใจนะอุรุเวลกัสปะบอกว่าแน่และเธอพรหมจันทร์นี้ประเสริฐงั้นนะไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วงั้นหลังจากนั้นชิดินเหล่านั้นก็เอาตามพี่เลยนะเชื่อมั่นว่าถ้าพี่ถ้าพี่เปลี่ยนได้ทําไมแสดงว่าไม่ธรรมดาเนี่ยนะอาศัยความเชื่อมั่นในผู้พี่เพราะพี่ไม่เคยเปลี่ยนใจอะไรขนาดนี้เนยนะ ก็มั่นใจขนาดนี้ถ้าเปลี่ยนได้ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาแนะ่ก็เล ย, เ ล, ยลอยผมลอยชดาลอยเครื่องบริการเครื่องบูชาไฟในน้ำพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสพเสียนลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพวกข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าค้า พระองค์ก็ตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วก็ตรัสตอบไปอีกว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเอิดพระวาจานั้นแหลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นชดินขยากัสปะผู้น้องสุดท้องเนี่ยนะก็ได้เห็นผมของชดาเครื่องบริการเครื่องบูชาเพลิงลอยนะ้ามา ก็มีความคิดว่าอุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายทั้งสองของเราเลยก็เลยส่งเชดินไปด้วยคําสั่งว่าพวกเธอจงไปจงรู้พี่ชายทั้งสองของเราทั้งตนเองกับเชดิน200คนก็เข้าไปหาท่านอุรุเวลกัสปะกราเปียนท่าว่าข้าแต่พี่กัสปะพรหมจรรันน้ประเสริฐแน่หรือขอคํายืนยันหน่อยที่มันแน่ยังไงพี่มันกันหลังจากนั้นอุรุเวลกัสปะก็ตอบว่าแน่ละเธอพรหมจรรันน้ประเสริฐ จากนั้นฉดินเหล่านั้นก็ลอยที่จริงก็มีคุยกันเยอะกว่า น, นี้นะแต่ว่าตรงนี้ก็แสดงแบบรวบรัดก็ถือว่ารู้กันสรุปว่าเชื่อว่างันเถอะมั่นใจอย่างนั้นฉดินเหล่านั้นก็ลอยผมลอยชดาเครื่องบริการเครื่องบูชาเพลิงในน้ําพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสพเสียนลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชาอุปสมบทในสานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ให้บรรพชาโดยเอหิพิคกอุปสัมปทาพระวาจานั่นแหลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นก็บอกว่าเกี่ยวกับปาฏิหารเนี่ยนะพระองค์เนี่ยแสดงตรงนี้ยกมาตัวอย่างว่าประมาณ3500วิธีเนี่ยนะ ประมาณ 3,500 วิธีเช่นอะไรบ้างก็ผ่าฟืนห้า้อนะผ่าฟืนห้า้อยท่อนผ่าไม่ได้ให้ผ่าได้ก่อกองไฟห้าร้อยท่อนดับไฟห้า้อยกองเนี่ยนะอธิษฐานด้วยการอธิษฐานของพระพุทธเจ้าแล้วก็เนรมิตกองไฟอีกห้ากองแล้วก็อย่างอื่นอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับอยู่ณตาบลออรุเวลาตามพุทธาพิรมแล้วก็เสด็จโดยมัคคาจะไปสู่ตาบล ขยาศีสะตะบนขยาศีสะแถวๆตอนนี้ก็ไม่ไกลาจากจังหวัดขยาเท่าไหร่เนี่ยนะก็ไม่ห่างจากจังหวัดขยาเท่าไหร่ครั้งที่แล้วว่าจะชวนคนขับรถไปบอกเออไปส่งที่ที่ขยาศีสะหน่อยบอกไปไม่ทันหรอกครับว่าือนกนกลับมาไม่ทันเพนแน่แล้วเราก็ห่วงเพนก็เลยไม่ได้ไปขยาศีสะเลยเหมือนนเกรงใจเ็าด้วยนะเพราะยืมรถเข้าไปมันก็ ที่ขยาศีษะที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงอาทิตตปริ ย, ยสูตรก็ไม่ห่างจากพุทธขยาเท่าไหร่นะก็อยู่ในในละแวกเดียวกันนั่นแหละขณะที่พระองค์อยู่ที่ตำบลขยาศีสะพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์หมูใหญ่ประมาณหนึ่งพันรูปล้วนแต่เป็นปุราณะดินเ็าเรียกว่าอาดีตฉดินว่มงอนนเถอะอดีตฉดินก็คือเคยเป็นฉดินมาก่อนปุราณะแปลว่าเคยเป็นฉดินมาก่อน ได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ตําบลขยาสีษะใกล้แม่น้ําขยานั้นน่ะพร้อมด้วยภิกษุพันรูปณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดังนี้ดูความภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นของร้อนคําว่าสิ่งทั้งปวงในที่นี้หมายถึงอุปาทานขันห้า น, นะเรียกว่าสักกายสพะเนี่ยนะสักกายสัพะเป็นชื่อของขันห้าอุปาทานขันห้าอายตนะสิบท่าสิบแเนี่ยแหละ เป็นชื่อของธรรมที่เป็นไปในภูมิสาเรียกว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้อาทิตตังมันสตพังพิกขเวอาทิตตังสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนก็อะไรเล่าที่ชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนนะที่ยิงพระองค์สามารถแสดงโดยขันก็ได้โดยธาตุก็ได้แต่ณนะที่ตรงนี้พระองค์แสดงโดยอายตนะว่าดูก่อนพิ่สู่ทั้งหลายจักษุเป็นของร้อนแปล ว, ว่าตาเนี่ยเป็นของร้อน รูปคือภาพที่ตาทั้งหลายเห็นขึ้นเนี่ยนะรูปทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นของร้อนจากคูวิญญาณจิตเห็นก็เป็นของร้อนเนี่ยนะจากคูวิญญาณจิตที่อาศัยจากคู่กับรูปเกิดขึ้นเนี่ยเป็นของร้อนจากคู่สัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเว sponsor, ทว น, นาทุกขเวทนาหรืออาทุคมสุขเวท น, นาที่เกิดขึ้นเพราะจากคู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของรอ้อนอ่ะแล้วมันร้อนเพราะอะไรและทำไมมันจึงร้อนล่ะ ก็ร้อนเพราะไฟคือราคะเนี่ยนะมีตาคู่ไหนมั่งที่ไฟราคะไม่เผามีสีรูปไหนมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งไฟราคะเผาเอานะันนั้นมีการเห็นครั้งไหนมั่งที่ราคะไม่เผาโทสะไม่เผาและโมหะไม่เผาเนี่ยนะอย่างน้อยโดยมากก็โมหะเผาแม้แต่กุศลจิตเกิดแล้วกุศลจิตจะเกิดนานขนาดนั้น้วยหรื อ, รอเพราะฉะนั้นอาจจะแค่กุศลจิตเกิดไม่มากะะนั้นราคะโทสะโมหะก็ยัง แฝงเผาอยู่แม้แต่กุศลจิตก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งไฟคือราคาเป็นต้นเผาอีกนั่นแหละเพระนั้นร้อนเพราะไฟคือราคาร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะแล้วตัวตาสีจกักขูวิญญาณผัสสะเวทนานะตัวมันเองอะธรรมชาติของมันเองก็ยังร้อนเพราะร้อนเพราะชาติร้อนเพราะชราร้อนเพราะมรณะเขตัวตาสีรูปจกักขูวิญญาณผัสสะเวทนาก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ก็ร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่ร้อนเพราะความตายแล้วก็เนี่ยการเห็นเห็น <he S 2> ครั้งไหนมั่งที่ไม่นํามาซึ่งความโศกนะผลการเห็นเนี่ยโดยมากก็เป็นที่ตั้งแห่งความโศกเพราะนั้นไฟคือความโศกก็เผาให้ร้อนร้อนเพราะความบน่นอะไรมัง่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความบ่นเพลิ่มำพันบั่งเราพูดบ่นกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็แสดงว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นของร้อนอ่ะถ้าไม่ร้อนก็ไม่บน่นใช่ไหมเพราะสิ่งนั้นเป็นของร้อนก็เลยบ่นเหมือนนน่ยเป็นที่ตั้งแห่งความลำพันและร้อนเพราะทุก โทมนัสและอุปาญาตแปลง่ายๆว่าตาเนี่ยไฟ11อกองเผาสีก็ไฟ11อกองเผาจากครูวิญญาณภาษาเวทนานเนี่ยนะธรรมะ5ในทวารตาเนี่ยไฟคือตราคาโทสะโมหะสามกองใช่แล้วก็ไฟคือชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตสามบวก8ก็เป็น11กเ็เรียกว่าไฟ11อกองเผาว่างั้น ซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยนะพื้นฐานพื้นเพจริงๆอะ่ะท่านเป็นผู้ที่ปรารถนาะที่จะออกจากวัตถุทุกโดยอัธยาศาัยอยู่แล้วพอมาฟังวิธีการเหล่านี้ที่บอกวิธีการเจริญวิปัสนาในทวารตาลักษณะเนี่ยท่านก็เจริญตามได้เลยคือท่านฟังเข้าใจเลยนะมั น, ร, นร้อนึไม่ร้อนไม่รู้ย่างไฟมานานแล้วก็เข้าใจและคำว่าร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะมันร้อนจริงๆถ้าไม่มีตามต้องย่างไฟไมเฮงคิดดู โอเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนโสตวิญญาณเป็นของร้อนโสตสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขวเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเผ า, าได้หมดอนะไฟคือโทสะก็เผาได้ไฟคือโมหะก็เผาเรียกว่ามีหูไหนมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะเสียงเหล่าไหนมั่งที่ไม่ตามด้วยราคะโทสะและโมหะ มีการได้ยินครั ừ. ้งไหนบ้างที่ไม่ไหลไปหาราคะโทสะและโมหะมันยากเพราะงั้นมีภาษะครั้งไหนมีความรู้สึกที่เกิดจากการฟังครั้งไหนบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะเพราะ้นไฟคือราคาโทสะโมหะมันเผาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เลยเรียกว่าเป็นสิ่งเศร้าหมองเพราะมันฉาบทารูบไหลไปด้วยราคาโทสะและโมหะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะและลำพังตัวมันเองก็ ร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแ ก, ามาก่ร้อนเพราะความตายก็ร้อนเพราะความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายก็มาจากทวารหูเนี่ยจึงเป็นร้อนหมดเลยตอนฟังก็ทําท่าจะร้อนอยู่เหมือนกันนะพอเลิกฟังก็เย็นต่อ น, นี่นะต่อไปบอกว่าขานะเป็นของร้อนเนี่นะจมูกเนี่ยเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายก็เป็นของร้อน คานะวิญญาณก็เป็นของร้อนคานะสัมผ hey! ัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกข์มสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะมีทวันจมูกไหนบ้างที่ไฟคือบาปอกุศลเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าไฟคือราคะเผาตามมาเพราะเพราะอะไรเพราะสุขเวทนาไฟคือโทสะเผาตามมาเพราะ ทุกขเวทนาไฟคือโมหะตามเผามาเพราะอุเบกขาเวทนาใครว่ารู้ได้ยังไงว่าราคาบอกว่าชอบเพราะราคะถ้าไม่ชอบโทสะไม่พิจารณาโมหะเนี่ยนะถ้าไม่เจริญสมถาวิปัสสนาก็เป็นโมหะพันสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็เท่ากับบอกว่าราคะโทสะและโมหะโดยลัวอยู่แล้วแล้วก็ตัวจมูกกลิ่นขานะวิญญาณพัสสะเวทนาก็เป็นสิ่งที่ มีความเกิดเนี่ยร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่แล้วก็ร้อนเพราะความตายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตถามว่าถ้าไม่ได้กลิ่นเนี่ยจะโศกไหมโศกไหมถ้าไม่ได้กลิ่นเนี่ยจะโศกไหมถ้าสมมติว่ากลิ่นบางอย่างเนี่ยถ้าไม่เราไม่เคยได้สมมติว่ามันมีกลิ่นชนิดหนึ่งเกิดมาก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องพบด้วยไม่ใช่กำลังพบถามว่าจะต้องไปเสียใจเพราะกลิ่นชนิดนั้นไหม ทำไมไม่ทํากลิ่นให้ทุกกลิ่นมันเป็นอย่างนี้ให้หมดล่ะเพราะนั้นมีบางสูตรพระองค์แนะนําวิธีนี้อยู่เหมือนกันคือให้มันมีค่าเท่ากับเหมือนสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่คิดจะเห็นแล้วก็ไม่ใช่กําลังเห็นแต่ไม่โง่อะไม่ใช่ว่าทําตัวเบลเบลหลับซะกินยานอนหลับแล้วมันจะได้ดิบได้ดีไม่ใช่นะแต่ทํายังไงจะทําวางใจให้มันมีค่าเท่านั้นน่ะมีค่าเท่ากับสิ่งอะไรที่ชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยเกิดมาไม่เคยได้กลิ่นชนิดนี้เลย แล้วก็ไม่เคยคิดจะต้องเห็นต้องสัมผัสต้องรับรู้ต้องไปมีได้มีเสียกับกลิ่นชนิดนั้นบอกว่ า, วาทำไมไม่ทำกลิ่นตอนนี้ให้มันมีค่าเท่ากับกลิ่นสองอย่างประเภทนี้ละ่ะว่างั้นแต่ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ว่างั้นแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นสิเออทำไมเราไม่ได้กลิ่นชนิดนั้นน่ะเราห้อยหายอยู่นั่นแหละนะเออต่อไปเราน่าจะได้กลิ่นชนิดนั้นถามว่ากลิ่นไหมกับกลิ่นหอมมันคือทิ่งเดียวกันม ม, มาจากวัตถุเดียวกันน่ะนะ ถามว่าปลาไหมกับปลากลิ่นสมมติว่าใครที่ชอบของแบบบางอย่างที่ของย่างของอะไรเป็นต้นนะถามว่าไอ้ของเดียวกันเนี่ยเสร็จแล้วอีกภาคหนึ่งก็เป็นของหอมอีกภาคหนึ่งก็เป็นของเหม็นนั้นวัตถุเดียวกันพร้อมที่จะแปลสภาพไปเป็นกลิ่นตั้งหลายโดยประการตั้งเปลืองจากกลิ่นที่ดีการเปรบจากกลิ่นหนึ่งไปสู่กลิ่นหนึ่งเนี่ยนะราคะโทสะโมหะก็ตามมาถ้ากลิ่นเป็นที่ตังตัวเองปรารถนาก็ราคะถ้ากลิ่นที่ตัวเองไม่ปรารถนาก็ โทสะจะปรารถนาะไม่ปรารถนาะก็โง่ตามเดิมเพราะไม่เห็นอริยสัจอะไรเสร็จแล้วก็กลิ่นเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาต์เอาแค่เงี้ยโลกนี้มีใครพูดเกินกว่าทวาร6เหล่านี้มีไหมไม่มีใจมันก็วนถ้าคนจะเสียใจเสียใจเพราะอะไรอ๋ก็เพราะทวาร6เหล่านี้ถ้าจะดีใจก็ดีใจเพราะทวาร6ถ้าจะโลบก็โลบตามทวาร6ถ้าจะโกรธก็โกรธตามทวาร6ถ้าจะโง่ขเขลาเพราะไม่รู้รู้ในทวารห ถามว่าอะไรเกิดขึ้นโลกเกิดเพราะอะไรเกิดก็เพราะทวาร6นี่มันเกิดขึ้นแลอะไรมันแก่ละ่ะก<ฤ>็ a, ทวารหนั่นแหละมันแก่แล้วอะไรมันตายก็ a, ทวารหหมดสภาพถ้าจะเสียใจเสียใจเพราะอะไรก็เพราะทวารหกนั่นแหละถ้าจะบน่นบ่นเรื่องอะไรก็ a, ทวาร6กนี่แหละพอเห็นเพราะได้ยินถ้าจะบน่นนะถามว่าถ้าทุกกายทุกใจเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะทวารหกแปลว่าทุกกายเพราะทวารกายนะทุกใจก็เพราะทวารที่เหลือนั้นทวารทั้งหมดแล้วถ้าถามว่าจะ บน้นบนอยู่นั่นแหละบนแดดร้อนฝนตกน้ําท่วมไฟไหมก็บนอะไรที่มันเกินทวารหกบ้างไม่มีแล้วก็ลําบากใจอึดอัดใจเครียดใจไม่สบายใจพวกนี้ก็อยู่ในทวารหกมพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่าเนี่ยมันเป็นของร้อนนย่างนั้นแต่ก็ตอนฟังทีก็ร้อนทีนะฟังดูเหมือนร้อนเออใช่ใช่ร้อนจริงๆแต่ว่าก็ยังเย็นอีกอยู่ดีเนี่ยนะตอนไหนว่าโอ้ยตอนง่วงๆนะห้องนี้เหมือนสวรรค์เลยอ่างนั้นเลยนะนะ นิพานจริงๆก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะีห้องนอนนี่มันวิเศษที่สุดเนี่ยนะตอนหิวนะอริยสัตว์อยู่ที่ไหนไม่สนใจแนตะ่อาหารนี่แหละคือนิพานงั้นนะก็ตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไนงะตอนกระหายน้ําแม้น้ําแก้วนั้นเนี่ยยิ่งกว่าน้ำำาําอมตะอีกนะก็ตอนที่แม้แต่ว่าตอนเจ็บปวดนะแม้แม่ต้องการหายปวดยิ่งกว่าต้องการนิพานอีกหลายสิบเท่านะคือคือจริงๆแล้วหมู่สัตว์เนี่ยโดยมากมันไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้ร้อนโดยอัธยาศัยโดย อ่าเรียว่านิสระนัตทยาใสที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเดือดร้อนแล้วต้องการออกอย่างแท้จริงเนี่ยนะทีนี้อาการออกอย่างแท้จริงเนี่ยอุบายที่จะออกคือการเห็นแบบนี้แหละคือวิธีออกอ่าวิธีออกเนี่ยสมาทิฏีิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนความเข้าใจที่ว่าเป็นของร้อนความเข้าใจตัวนี้เป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติที่นําออกนําออกจากของร้อนเหล่านี้เนี่ยนะต่อไปชิวหาเป็นของร้อนเนี่ยนะ กลางวันนี้ร้อนหรือเปล่านีชิวหาเป็นของร้อนรถเป็นของร้อนชิวหาวิญญาณเป็นของร้อนชิวหาสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขะมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราค่าร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกัทโธมณตและอุปาญาตเนี่ยนะโอ้เรื่องทวารลิ้นเนี่ยทวารที่มัน ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยทะเลาะกันมาตั้งเด็กจนแก่ก็พราะทวารลิ้นนี่แหละเพราะว่าทวารลิ้นเป็นทวารที่ถ้าไม่มีรถมาเลยเนี่ยนะถ้าสุนัขอยู่หลายๆตัวมันก็ไม่กัดกันนะทุกคนมันจะตัวน่ารักมันทะโยนอะไรรถรสชนิดหนึ่งเข้าไปแค่นั้นโอ้โหกัดกันหมดเลยก็คือจริงๆแล้วรถเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะเบาแว้งกันแล้วโต๊ะอาหารเนี่ยมันถือว่าเป็นโต๊ะที่ทะเลาะกันมากเนยนะเป็นสถานที่ที่คนทะเลาะกันมากเลยนะ มีปากมีเสียงกันก็เรื่องรถนี่แหละเนี่ยนะเธอทําอาหารทําไมเป็นอย่างนี้เข้าวเอแล้วเธอให้ค่ากับข้าวมาเท่าไหร่เนี่ยก็วนๆอยู่แถวๆนั้นนะ่ะทำไมมันเป็นอาหารอย่างนี้โอยเรื่องรถในเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยแหละท่า น, นรถเนี่ยมันโดยเฉพาะทวารลิ้นเนี่ยนะเรียกว่าเอาสิ่งนั้นมาเคลือบกับน้ําลายแล้วรูปลิ้นเข้าไปเนี่ย ม, มันยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะมันอะไรจะจริงๆนะมันทะเลาะกันเบาะแวงกันเข้นข่ากันก็โตอาหารนั่ะ ก็รสอันไม่อร่อยนั่นแหละมันก็เลยมองหน้ากันไม่ค่อยติดกันมันลิ้นก็ร้อนรถก็ร้อนชีวหาวิญญาณก็ร้อนชีวหาสัมผัสก็ร้อนเวทนาสามที่ไหลมาตามชีวหาสัมผัสก็เป็นของร้อนเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะก็เลยเรียกว่าพวกนี้ร้อนเพราะราคะโทสะและโมหะตัวมันเองลิ้นก็ลิ้นก็เกิดลิ้นก็แก่ลิ้นก็ตายความบกพร่องของลิ้นทั้งหลายเรียกว่าป่วยนี่นะ แล้วก็ลิ้นเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความโศกเนี่ยนะโศกกะเนี่ยนะว่ามงถ้าทานอาหารที่ไม่อร่อยนี่แทบสะอื้นในอกเลยนะเรากินข้าวเคล้าน้ําตาลนี่ใครไม่เคยบ้างทำบุญอะไรมาเนาะแล้วได้อาหารอะไรช่างอร่อยแท้เนี่ยนะคือไม่โอ้โหเหม่ตรอมใจเหลือเกินทําไมให้เรากินอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะทำใจลําบากเหลือเกินเนะี่ยนะหรือเรามีกินเท่านี้หรือเศร้าใจเหลือเกินที่ได้อาหารชนิดนี้มาทานเนี่ยนะทำบุญมาดีมากโมทนาด้วยทําบุญมาดี เพาทุกมื้ออร่อยหมดเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เก่งจังทําบุญมาดีมากนะนะขอให้รักษาบุญให้มีบุญตลอดไปกันแล้วกัน น, นะวันไหนถ้าไม่ได้อร่อยอย่างใจว่าแล้วก็จะเดือดร้อนละ่ะเพราะว่ามันของร้อนจริงๆเลยแหละก็ร้อนเพ่อชาติชรามอรณ์โสกาปริเทวะทุกขโทมานัทและอุปาญาตกายเนี่ยเป็นของร้อนโพธาภาทั้งหลายเนี่ยเป็นของร้อนกายวิญญาณ เป็นของร้อนกายสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขามสุขเวทนาที่มีกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนตั้งนั้นน่ะตั้งแต่โคนผมอะนะจนถึงปลายเล็บเนี่ยมันร้อนในทุกแห่งจริงๆอะนะเคยขบไหมอุณหภูมิมันขึ้นผิดปกติเคยอักเสบแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั่นแหละไอ้ถามว่าอักเสบคืออะไรก็คือแปลว่าตรงนั้นมันร้อนนั่นแหละเตโชธาตมันทํากิจมากนั่นแหละเรียกว่าอักเสบเคยปวดฟันไหมยังไง เคยปวดหัวไหมนะนะเคยเคยเคยเคยเจ็บเคยคันอะไรไหมแม้แต่คันก็คือความร้อนนะขณะที่ยุงกัดจนจนมันคันมันปวดมันเมื่อยพวกนี้ก็เป็นลักโดยมากเป็นเตโชธาป์เนี่ยนะก็ร้อนแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความร้อนอีกหลายๆชนิดเนี่ยนะเพราะเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งไฟคือราคะเป็นที่ตั้งแห่งไฟคือโทสะและโมหะก็แผดเผาอยู่กับสิ่งนี้แล้วก็ร้อนเพราะชาติชรามอรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัสและ อุปายาตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนนะมีร่างกายเนี่ยทามามีความสุขที่มีร่างกายหรือว่าทุกมากที่มีร่างกายะนะและก็อย่างที่ว่าเนี่ยสมมติท่านน้าหนักหกกิโลก็ลุกก็60นั่งก็60นอนก็60บริหาร60ยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนคุณต้องดูแลมันไปตลอดคอยดูแลรักษาเยียวยาบํารุงให้หลับให้ตื่นให้ดูแลเนี่ยไม่ใช่ว่าดูแลง่ายๆนะมีผมก็สระให้มีฟันก็แปรงให้มีหน้าก็ล้างให้มียดูแลก็ทั้งนั้นนะ แล้วก็บางทีล้างไอ้ข้างนอกเราก็ว่าดีเรียบร้อยแล้วข้างในเอามาอีกแล้วเดี๋ยวก็ปอเดี๋ยวก็ตับเ <dart CS: S 1> ดี๋ยวก็ตาไมา้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉพวกนี้พระองค์บอกว่าเป็นของร้อนร้อนเพระอะไรร้อนพระไฟคือราคะร้อนพระไฟคือโทสะร้อนพระไฟคือโมหะร้อนพระชาติชรา ม, มรณะโสกะปริเทวะทุกขโตมนัตและอุปาญาตเนี่ยนะในส่วนใจเนี่ยนะใจฮอนเนี่ยนะใจร้อนเนี่ยใช่เลยใช่ใจเนี่ยเป็นของร้อนแล้วก็ใจก็ตัวร้อนด้วยแหละพังกัน ทำมารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนมโนวิญญาณก็เป็นของร้อนมโนสัมผัสนี่ก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาต์นะเขาบอกว่าเอ๊ะมันเพิ่งร้อนเฉพาะปัจจุบันหรือใช่ไหม เพิ่งร้อนใช่ไหมเมื่อก่อนมันก็ร้อนเมื่อกี่ล้านปีกี่กับกี่โกรธกลับมาแล้วก็มันร้อนอย่างเงี้ยแล้วต่อไปในอนาคตถ้าจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปมีเสียงมีภาษาเวทนาในทวารต่อไปในอนาคตคิดว่าจะเย็นได้ไหมมีตาคู่ไหนบ้างอนาคตต่อไปมันจะเย็นเนี่ยนะอดีตก็เย็นอนาคตก็เย็นไม่มีร้เนี่ยนะมีแต่ว่าอดีตก็ร้อนอนาคตก็ร้อนปัจจุบันนี้ขันอายตนะไหนบ้างที่ไม่ ไม่ร้อนเนี่ยนะตาคู่ไหนมั่งไม่ร้อนหูคู่ไหนมั่งไม่ร้อนจมูกคู่ไหนมั่งไม่ร้อนลิ้นอันไหนบ้างไม่ร้อนแล้วร่างกายชนิดใดบ้างไม่เร่าร้อนเนี่ยนะแล้วใจชนิดใดที่มันเย็นจริงๆเลยนะเป็นใจที่ใจไม่ร้อนเลยก็ต้องใจที่ออกจากธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ได้นดั่นแหละจึงจะเย็นถ้าหากว่ายังพ้นสิ่งเหล่านี้ทวารเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้ไม่ได้ยากที่จะเย็นแต่ข้อปฏิบัติเพื่อความเย็นก็คือการตามเห็นว่าเป็นของร้อน สูตรนี้พระ อ, องค์ตรัสทุกขานุปัสนาเนี่ยนะเพราะการตามเห็นอย่างนี้นั่นแหละคือการเจริญทุกขานุปัสนาถ้าอนัตตลักษณะสูตรนี้แสดงทั้งอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนาเนี่ยนะแสดงอนุปัสนา3แต่ว่าฉดินสามพี่น้องเน้นพิเศษก็เพราะแสดงทุกขานุปัสนายะฐานิจังตังทุก ข, ขงังสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เพราะว่าเออสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงแล้วถามว่าไอสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วใครมีอำนาจที่แท้จริงให้มัน สงบร่มเย็นให้อยู่เย็นเป็นสุขในสิ่งเหล่านี้มีใครมีอำนาจจริงไหมมีผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจจริงไหมก็บอกไม่มีพันก็เท่ากัอบอกถึงแสดงว่าทุกก็เท่ากับแสดงอนิจจังและอนัตตาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีผู้ใดบอกตาก็เย็นสีก็เย็นจมูกก็เย็นมีใครมีอำนาจทําให้เย็นโดยที่ราคะไม่ฉาบทาโทสะไม่ฉาบทาโมหะไม่ฉาบทาไม่มีชาติชรามอรณาโศกาปริเตวะทุกโทมานัสอุปาญาต เป็นไปได้ไหมทําได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการแสดงว่าอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหวิญญาณ6กผัสสะหเวทนา18ในทวาร6เนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นของร้อนทั้งหมดเพราะว่าไม่มีผู้ใดมีอํานาจเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากออกอย่างเดียวว่างั้นอริยาสาวกผู้ได้ฟังอย่างนี้ฟังแล้วใช่ ฟังเป็นสูตรตามมา ย, ยาญาณเห็นอยู่อย่างนี้เป็นภาวนามา ย, ยาญาณเนี่ยนะฟังได้ฟังอย่างนี้แล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบืออ่อหน่ายเพราะว่าทุกขานุปัสสนาที่บริบูรณ์ย่อมอย่างนิพพานุปัสสนาให้บริบูรณ์เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหนอ่ายเพราะถ้าท่ า, าทุกขานุปัสสนามีกําลังเท่าใดอนัตขอไปนิพพานุปัสสนาก็มีกําลังมากเท่านั้นเนี่ยนะวันนี้นิพพานุปัสสนาจะต้องได้มาจากไหนบ้าง ต้องเจริญอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะในธรรมะนะอายตนะภายใน 6. อายตนะภายนอกหกวิญญาณ6กภาษาหเวทนา18เนี่ยนะเจริญอนุปัสสนาทั้งหมดในทวาร6เหล่านี้อย่างบริบูรณ์นิพพิทานุปัสสนาจึงบริบูรณ์จะต้องเบื่อหน่ายจากทุกเรื่องเลยนะจากทุกอารมณ์เลยไม่มีที่มันมันจะไม่เป็นทุกข์แล้วไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่าย มันอริยสาวกผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขูวิญญาณผัสสะและเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัสและเวทนานี่นะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานาวิญญาณผัสสะและเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสและเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อน่ายในโพธาภัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายยะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมอารมณ์ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนา อธทุคคามสุขเวตนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยผู้ที่ปฏิบัติจนเบื่อหน่ายตาสีหูเสียงจมูกก ล, ลิ่นลิ้นรสกายโพธพภะธรรมรมณ์ในบางส่วนได้ผู้นั้นกายานุปัสนาบริบูรณ ถ้าเจริญจนเบื่อหน่ายอย่างนั้นได้จริงก็กายานุปัสนาบริบูรณ์ผู้ใดเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในทวารทั้งหกได้ผู้นั้นเวทนานุปัสนาบริบูรณ์ผู้ใดเห็นผัสสะในทวารหกเนี่ยนะผัสสะในทวารหกจากขูสัมผสัสโสตค า, านาชิวหากายสัมผสัสในทวาร6จนบริบูรณ์แล้วเบื่อหน่ายได้ผู้นั้นมี ธรรมานุปัสสนาบริบูรณ์ผู้ใดเบื่อหน่ายในจักวิญญาณโสตขานะชวหากายะและมโนวิญญาณมโนมโนวิญญาณผู้ใดเบื่อหน่ายในวิญญาณเหล่านี้ได้ผู้นั้นก็เจริญจิตตานุปัสสนาบริบูรณ์พรันกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรมมานุปัสนาที่บริบูรณ์ก็คืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาบริบูรณ์เมื่อนุปัสนาเหล่านี้บริบูรณ์นิพพิทาก็ บริบูรณ์เนี่ยนะเมื่อนิพิธาที่บริบูรณ์เนี่ยนะอัฏนิพินติดุกให้เอสมมโควิสุทธยาความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดย่อมวิราคะวิราคะก็คือคลายซะหรือคลายเนี่ยนะราคาแปลว่ายุดติดก็แปลว่าปล่อยวิตัวนั้นวิปฏิเสธเนี่ยนะราคาแปลว่าจับหรือว่าเหมือนกับกอดรัดฟัดแน่นไว้เลยนะวิปับปล่อยเลยบอกไม่เ่าแล้วก็ปล่อยปล่อยจาก ตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยจากอารมณ์6กทวาร6กผัสสะหและเวทนาทั้ง18เหล่านี้เนี่ยนะก็จิตหลุดพ้นจากสังขตะไปหาอสังขตะน้อมไปหาธรรมที่ดับสังขตะเพราะเห็นว่าสังขตะเป็นของร้อนอสังขตะเป็นของเย็นมันเมื่อเบื่อหน่ายก็หลีกไปหาธรรมที่เย็นเนี่ยนะก็เบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าชาติคือการเกิดขึ้นของอายตนะทั้งหลายเหล่านี้สิ้นแล้ว พรหมจันท์กิจกิจการเจริญเพื่อเห็นอริยสัจอย่างนี้ก็สิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจทั้ง16ในการรอบรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเสร็จสิ้นหมดแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวยาการณภาสิทธนินี้อยู่จิตของภิกษุพันธ์รูปก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเธอท่านจะไม่ถือมั่นเลยว่าจากักขุเป็นของเย็นรูปเป็นของเย็นภาษะเวทนาเป็นต้นเป็นของเย็นไม่มีอีกต่อไป เพราะฉะนั้นพ้จากการถือว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเนี่ยนะแต่ว่าปุตุชนผู้ไม่ได้กําหนดรอบรู้จริจรงๆมันก็เย็นเสมอใช่ไหมถ้าบอกว่าเห็นเห็นแน่ๆอะไรนะโอ้ยได้เห็นก็เย็นใจแล้ววนะ่ารงี้ยจริงหรือเปล่ามันเร่อหลอกๆ ก, ก, กันไปไงั้นนะจริงก็บอกว่าจริงไม่ได้เย็นอะไรรอกเนะี่ยร้อนจะตายอยู่แล้วว่างั้นนะมันก็คือขันทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนรนเนี่ยนะ มันผู้ท <ora> ี่หลุดพ้นก็เพราะว่าไม่ได้คิดว่าขันห้านี่มันเย็นจริงอะไรเพราะว่าสัมผัสพระนิพพานที่เย็นแล้วจึงรู้ว่าขันห้าเป็นของร้อนคนที่รู้จักว่าขันห้าร้อนจริงเนี่ยนะอายตนะเหล่านี้ร้อนจริงเมื่อสัมผัสกับพระนิพพานที่เป็นของเย็นจริงๆเนี่ยแหละมันถ้าอย่าเรายังหลีกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยนะเราก็ยังไม่รู้รอกว่าสิ่งเหล่านี้ร้อนขนาดไหนเขาบอกว่าท่านโลกของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าเห็นอริยสัจไปแล้วเนี่ยนะ ก็ยังคิดเราอาปูตุยชนนี่มันทนกันได้ยังไงมันโง่จริงๆเลยมนะัทนนันร้อนขนาดนี้เลยนะนั่นก็พักสักครู่จน่ดูว่าจะเย็นหรือจะร้อน